อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมาราปุลุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งที่ฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทําหน้าที่พูดคุยสนทนากับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระครุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโธภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภภากร ซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เรียกภาษาธรรมว่าสากัะชานะคะคเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่10กันยายนนะคะเป็นวันขึ้น13ค่าเดือน10ค่ะก็คิดว่าเป็นวันที่เป็นเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะคะขอนาท่านผู้ฟังมากราบนมัสการ ประเดชพิคุณพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิบุโนกันเลยนะคะสําหรับในช่วงเข้าพรรษานี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านก็คงจําได้ว่าพระอาจารย์จะได้เมตตาที่จะนําำคาถาต่างๆที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้มาให้เป็นคติเตือนใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมนสักการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาญาชรินพร สาธุเจ้าค่ะ<า>วันนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตาที่จะนำคาถาบทใดที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้บ้างก็ขอกราบมัตรการเลยเจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือในตอนนั้นช่วงที่พระพุทธเจ้าอายุแปดสิบปันาแล้วนะคุณเตือใจคือช่วงท้ายสมัยพุทธกาลก็คือในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีแต่การสูญเสียเยอะแยะไปหมดคื อ, อพระ สารีบุตรก็ปรินิพานนะพร ะ, ะท่านมหาโมคละนะก็ปรินิพานใช่ไหมพระเจ้าเปรตที่โกศลก็สวรรคตใช่ไหมแล้วก็ในช่วงประมาณสิบสองเดือนสิบสีเดือนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ปรินิพานในปีนั้นเหมือนกันเดือในช่วงสิบสอปีสิบเอ่อสิบสองเดือนสิถึงสิบแปดเดือนนั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาเรื่องตรงช่วงนี้มามาเล่า ซึ่งก็คือว่ามีคาถานหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรงสังขารคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรงอายุสังขารดีกว่าคือตอนนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ท่านพระอานนุ์ก็ไปที่กุฏิของพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่กันที่เมืองสาวัตถีใช่ไหมพอ <Okay. S 1> ไปถึงแล้วก็ไปนวดนวดคือนวดนวดร่างกายของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ <Okay. S 1> ไปรูปคลมร่างกายดูก่อู้ทาไม มีผิวพรรณไม่ผุดพองเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ร่างกายก็เขาเรียก ว, ว่าเหมือนหลังค่อมอันเนี้ยนะค่อมไปข้างหน้าแล้วก็อินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูฉูกลิ้นกายใจหน้าตาอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเพราะความแก่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถานี้ออกมาบอกว่าโถเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทําความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจ บันี้ก็ถูกความแก่ย่ํายีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ํายีหมดทุกคนอันนี้คือขตาที่ตรัสไว้ตรงนี้แต่นี้ข้อสังเกตกเป็นการปรงอายุสังขาร ใ, ใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้อันนี้ก่อนการปรงอายุสังขารเดี๋ยวต่อไปจะมีอีกนิดหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าของเราอะนะคุณเตือนใจแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้านะก็ยังต้องแก่เนื้อแม้ก็ยังมีผิวกายเหี่ยวอะไรต่างๆนะเหมือนอย่างที่เราอาจจะเห็นคือถ้าใครไปเรียนเมืองนอกเมืองนานสักหปีสิบปีอย่างเงี้ยกลับมา <Okay. S 1> บ้านเมืองนี่ก็จะพบว่าโอ้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปคนนี้เขาก็โอ้หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปคือจะถ้าใครไม่ได้เจอกันนานๆลักษณะของสามปีห้าปีอย่างเงี้ยนะหรือถึงกับสิ <Okay. S 1> ปีเนี่ยจะพบว่าโอ้โห หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคุณเตือนใจเปลี่ยนไปเยอะเจ้าค่ ะ, ะบา ง, งทีเรามาดูเนี่ยเห็นว่าอ้วนขึ้นบ้างผอมลงก็มีเหี่ยวขึ้นแหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้ก็ผู้ชาก็พูดไว้อย่างนี้เหมือนกันแล้วพระองค์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วก็ยังชี้ชัดแน่นอนว่าทุกคนต้องตายแน่นอนไม่มีใครพลนแล้วก็หลังจากที่อตอนนั้นอยู่เมืองสาวัตถีใช่ไหมเราก็เดินทา ง, งไปตาม เมืองนาลันทาไปบ้านนู้นบ้านนี้เนี่ยจนสุดท้ายามาถึงเมืองเวสาลีนะที่เมืองเวสาลีเนี่ยก็มาอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าบ้านาเจดีปาวัลเจดีนะที่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยนั่งพักสักหน่อยหนึ่งนะนั่งพักสหน่อยหนึ่งท่านพระอนตนลก็เลยปูที่นั่งไว้ให้นะแล้วก็ให้อนนลไปไปพักผ่อนเหมือนกันพระองค์ก็นั่งเข้าสมาธิอยู่ S <S <Okay. S 1> ก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็มีมาร น, นะพญามารเนี่ยมามาทูลขอให้นิพพานได้ท้าวความถึง <S <S <S <S สัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้แรกๆเรายังไม่ได้บอกสอนใครนะที่บอกว่า เ, าเรายังไม่ปริญญาผ่านหรอกก็ต่อเมื่อมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกคนสามารถบอกสอนธรรมะทุกคนเก่งละเราถึงจะ ปฏินิพพานว่าอย่างนั้นทีนี้มานก็เลยมาทวงสัญญาคราวนี้ว่าเมื่อตอนนั้นจําได้ไหมใต้ต้นไทรพระองค์พูดว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างวันนั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาทวงหรอกเรารู้นะ่ะแล้วเราจะปฏินิพพานตอนไหนนะแล้วก็บอกกับมารว่าเอาจะปรินิพพานอีกสามเดือนจากนี้ว่าอย่างงั้นณขณะนั้นก็เลยเกิดแผ่นดินไหวนะสั่นสะเทือนเลยึท่านพระอานนท์ก็เลย ตกใจนิดหนึ่งก็เลยเข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอยเนี่ยเป็นดินไหวมากเลยเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้เป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังถึงเหตุแห่งการที่จะทำให้เป็นดินไหวซึ่งหนึ่งในอย่างนั้นก็คือการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรงอายุสังขาร <Okay. S 1> คือปรงอายุสังขารก็หมายความว่าอาชันจะไม่อยู่ละฉันจะไม่เจริญอิทธิบาทสี่ให้ร่างกายอยู่ต่อไปละ <Okay. S 1> คือบางคนอาจจะทราบว่าการเจริญอิทธิบาท4ีเนี่ยจะทําให้ ร่างกายของเราสามารถมีอายุต่อได้อะนะทีนี้ผู้เชาก็เลยไม่ได้ทำอย่างนั้นนะก็คือไม่ได้ตั้งความาเพียรเอาไว้ในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะเพราะนั้นจาก3เดือนนี้ก็จะพบว่าผู้เช่านี่ป่วยลงป่วยลงนะมีทุกขเวทนาต่างๆเกิดขึ้นมากเลยทีนี้พอมาถึงจุดนี้ท่านพระอ น, นุนหลังจากที่รู้ตัวแล้วว่ า, าตายแล้ ว, วผู้รู้เจ้าจะป ร, ะรินิพพานแล้วทำยังไงดี ก็เลยขออนุ ญ, ญาตให้พระุทเจ้าเนี่ยอย่าป ร, รินิพานพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องธรรมะ ต, ต่างๆแล้วก็บอกคาถานี้ออกมาซึ่งจะเป็นคาถาที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนในวันนี้ก็คือได้ตราย่ตงนี้บอกว่ า, าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มี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 พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีตามรักษาจิตของตนเถิดในธรรมาวินัยนี้เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระอาจารย์เจ้าคะ ต, ตามที่พระอาจารย์ได้มีตาที่จะพูดถึงพระคาถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสม า, าใน เกี่ยวกับเรื่องของการปรองสังขารเนี่ยนะเจ้าคะก่อนที่จะพูดคุยเพิ่มมากขึ้นโยมอยากกราบขออนุญาตที่จะเรียนถามถึงเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้นะเจ้าคะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้เจริญอิทธิบาท4ี่เจ้าค่ะคือเหมือนกับไม่ได้ต่ออายุอีกอย่างเงี้ยโยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะทราบตรงนี้เจ้าคะว่า<อ>การเจริญอิธิบาทสีนั้นคืออะไรแล้วก็ทํำยังไงเจ้าค่ะการเจริญอิธิบาทสี่พระพุทธเจ้าบอกว่า คือการที่เรามาเข้าใจคำศัพท์สักนิดหนึ่งก่อนดีกว่าบาทเนี่ยแปลว่าบารฐานนะเป็นเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานแล้วก็อิทธิเนี่ยก็คือคืออิทธิฤทธิ์หรือว่าอํานาจเพราะฉนั้นบารฐานแห่งอำนาจบารฐานแห่งอิทธิเนี่ยก็คืออิทธิบาท4ีซึ่งมี4อย่างวิธีการเจริญที่เราทราบกันว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสารีใช่ไหมอ่าจริงๆนั่นคือตัวของอิทธิบาท4ีแต่ว่าวิธีการทําอิทธิบาท4เนี่ย ปรชานได้เคยตรัสไว้อีกที่1น่งนบอกว่าคือมันต้องมี3องค์ประกอบในแต่ละอย่างนะอย่างสมมุติถ้าเราพูดถึงชันทะเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างคือไม่ใช่ตัวชันทะอย่างเดียวชันทะเนี่ยเป็น1ใน3อย่างชันทะเนี่ยแปลว่าความพอใจอย่างสมมุติเราพอใจที่เราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างเงี้ยทีนี้มันก็จะต้องมีองค์ประกอบอีก2อย่างอย่างที่2คือปทำเครื่องปรุงแต่งแล้วก็อย่างที่3คือสมาธิ มาตอนนั้นก็ไปค้นควา้าทาเครื่องปรุงแต่งนั้นมันคืออะไรคืออะไรไปเจอในพระไตรปิฎกฉ บ, บับภาษาอังกฤษคุณเตือนใจเขาบอกว่าทําเครื่องปรุงแต่งเนี่ยคือปัญหา แ, แปลว่าปัญหาเลยคือเหมือนกับปัญหาความท้าทายในชีวิตอ่ะหรือถ้าเราจะทําให้เข้าใจกันมากขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่เราจะตั้งฉันทะเอาไว้อย่างสมมติว่าเราต้องการจะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคุณก็ตั้งความพอใจไว้ในในสิ่งในความที่เราต้องการมีชีวิตอยู่ สมมติคุณต้องการเป็นเศรษฐีใช่ใใไมปปาหามคุณก็ตั้งความพอใจไว้ในความเป็นเศรษฐีคุณต้องการจะบรรลุเป็นพรรหันต์ใช่ไหมคุณก็ตั้งความพอใจไว้ในความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการทาเครื่องป ร, รุงแต่งเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องการหรือว่าปัญหาที่เราเจออยู่หรือความท้าทายที่เราต้องการจะให้มันผ่านพ้นไปอย่างเงี้ยนี่คืออันที่1นงองค์ประกอบที่2คือสมาธิยังไงต้องมีสมาธิแน่นอนอแล้วก็อันที่3คือตัวฉันทะความพอใจเอง ดนั้นไอ้อีกสามอย่างที่เหลือก็คือจิตตะวิมังสาแล้วก็วิริยะก็ลักษณะเดียวกันแต่ละอันเนี่ยต้องมีสามขามันถึงจะยืนอยู่ได้ตั้งอยู่ได้จเจริญอยู่ได้เพ <Okay. S 1> ระาะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าไม่ได้จเจริญอิทธิบาทสี่เนี่ยก็หมายความว่าไม่ได้ทรงทำเครื่องธรรมะเครื่องปรุงแต่งเอาไว้ก็คือว่าไม่ได้เอาชีวิตของตัวเองเนี่ยม า, าไว้ในจุดที่เป็นทําเครื่องปรุงแต่งตรงนี้ค <Okay. S 1> ะ แล้วก็เลยให้ร่างกายมันเสื่อมโทรมสุดโซมลงไปตามเวลาของมันซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลาสามเดือนออซึ่งในก่อนหน้านั้นก่อนที่พระเจ้าจะประลงอายุสังขารนะคุณเดือนใจมีเรื่องที่พระองค์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นป่วยหนักมากปัญษาก่อนหน้านี้นะตอนที่ท่านพระสารีบุตร ย, ยังไม่ปรินิพพานป่วยหนักมากจนแทบแบบเกือบจะอ้อตไม่รอดละแต่ว่าก็ได้ไดบอกกับภิกษุว่าเออยังไม่ได้บอกลาใครยังไม่ได้ลาอุปถาอยังไม่ได้ลา พิสูจน์ทั้งหลายจะยังปรินิาพานไม่ได้ตอนนั้นก็แสดงเห็นชัดเจนว่ายังทรงตั้งอิธิบาตสี่เอาไว้ในการให้มีชีวิตอยู่ใช่ไหม <Okay. S 1> พอมาถึงที่ปวาวรัเจดีนี้ก็เลิกความตั้งใจนี้และในช่วงจากปรรษานั้นถึงจุดที่ปรงอายุสังขารนี่ก็ภาษาลิบุตรก็ปรินิาพานพระโมกละนะก็ปรินิาพานท่านพระเจ้าเสรตทีิโคศนก็สวรรคตลักษณะนี้ท <Okay. S 1> ีนี้ก็เลยหลังจากที่ปรงอายุสังขารแล้วท่านพระอนนท์ทราบแล้วเรา เราพลาดและไม่ได้ขอนิมนให้ผู้เช่าเจริญอายุสังขารต่อเนี่ยก็เลยตรัสคถานี้ที่ว่ า, าเป็นคนหนุ่มคนแก่ก็ตายเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับหม้อไม่ว่าจะสุกยังไม่สุกสีอะไรก็แตกหมดแล้วก็เตือนทุกคนไว้บอกว่าวัยของเราแก่งหอมแล้วนะชีวิตของเรารีปรีแล้วเราจะละพวกเธอไป สนนัตของตัวเราเองได้ทําไว้แล้วพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความนริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาจิตของตนเถิดในธรรมะวินใัย น, นี้เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารทําที่สุดแห่งทุกได้แม้ตรงนี้ครูชาตพูด<ร>ไว้ชัดเจนนะว่าต้องตามรักษาจิตของตนอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็น่าเป็นแนวคิดที่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว<ช>้เกี่ยวกับเรื่องของการ p r o l อายุสังขารของพระองค์ท่านใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ก็คือแม้ว่าพระองค์ท่านจะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าก็คงร่างกายสังขารของพระองค์ท่านก็คงจะต้องอเหี่ยวเฉาเป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่อันนี้เป็นข้อที่จะเตือนใจบรรดาพุทธศาสนิกชนหรือบรรดาคารวะเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะเจ้าคะพระอาจารย์อยากจะฝากถึง บรรดาพุทธศาสนิกชนตรงนี้สักนิดนึงพีเจ้าคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่เสมอไปนะเจ้าคะที่ว่าคนที่แก่หมายถึงว่าเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งแก่เท่าแล้วก็<ม>ถึงเวลาที่จะต้องจากโลคนี้ไปนะเจ้าคะดูเหมือนว่าจะเป็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่มนุษย์เรารับทราบรับรู้อยู่อะเจ้าคะแต่ว่าถ้าเกิดเกิดมีเด็กๆที่ว่าลูกหลานเราหรืออะไรที่อายุยังน้อยๆอยู่เนี่ย แล้วเกิดจะต้องจากโลกนี้ไปโดยกระทันหันอันนี้มักจะเป็นสิ่งที่พวกเรามักจะทําใจไม่ค่อยได้เจ้าค่ะ อ, อยากให้พระอาจารย์ได้พิจาาที่จะชี้แนะตรงนี้หรือให้แง่คิดตรงนี้นิดนึงเถอะเจ้าค่ะคื อ, อต้องพูดถึงความแก่ให้ใ ห, ให้ชัดเจนนิดหนึ่งความแก่ซึ่งบางคนจะเข้าใจว่าโอ้คนแก่แล้วก็ต้อง60ขึ้นไปนะหรือไม่ก็ต้องเป็น 70-80 นิ่นเรียกว่าแก่แต่ในใ<ช>ทัศนคทางธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ย ความแก่เนี่ยคือการที่เสื่อมไปเสื่อมไปของอายุคืออายุค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปนี่แหละแก่แล้วนะ<ช>อายุเสื่อมไปเสื่อมไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่คุณอายุขวบหนึ่งมาเป็นสองขวบเนี่ยความสิ้นไปสิ้นไปแห่องอายุเนี่ยเรียกอะไรว่าแก่นะแต่ว่า <จะ S 1> ความ <ๆ S 1> แก่ <ๆ S 1> ทางธรรมะเนี่ยมี3อย่างคือถ้าเราจะแบ่งกันให้ให้หลายๆท่านเข้าใจที่ถูกต้องนะแก่อย่างแรกก็คือแก่แบบอายุค่อยๆเสื่อมไปสิ้นไป อันนี้คือค อ, อยู่มากขึ้นนะจ๊ะค่ะอาย่มากขึ้นเพราะฉะนั้นวันเกิดเนี่ยโวันเกิดแล้วอ่านั่นแหละเป็นวันที่ใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่งนค น, คนดีใจฉล อ, องใหญ่เลยนะจ๊ะก็คือใกล้ความ<น>ตายเข้าไปอีกอย่างหนึ่งจริงๆแ ล, แล้วคนจะต้องมาเล็กถึงความตายนะว่าเอ้ยเราใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่งเราไอย่างเงี้ยนะนแล้วก็แก่อย่างที่สองนี่ก็คือแก่แก่เขาเรียกว่าแก่แก่เสื่อมโทรมอย่างที่เราเห็นแบบคนแก่มีริ้วรอยผมหงอกฟัน ฟันหักอะไรต่างๆแล้อย่างที่3ก็คือแกงงอมเลยแบบแกงงอมไปเลยอายุ90้าสหนึงน่งนุ่นแบบเดินก <Okay. S 1> ็แทบจะไม่ได้จมกองมูดกองคุดของตัวเองนี่ก็เป็นแก่อย่างที่ที่3เพราะฉะนั้นระดับของความแก่เนี่ยมันมีอยู่3ระดับอย่างนี้ซึ่งซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าโอแค่จากอายุ15มา16เนี่ยคุณแก่ละนะคุณแก่สินส้นไปสิ้นไปแล้วทีนี้ความตายเนี่ยพระชุทธก็พูดไปตรงนี้ชัดเจนว่าหม้อเนี่ยนะ ทั้งยังยังดิบยังสุกเนี่ยยังหนุ่มยังอ่อนแก่แล้วอะไรมันแตกได้หมด <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเหมือนกับชีวิตของเราอ่ะเราหายใจเนี่ยนะคุณเตือนใจถ้าไม่หายใจสักหกนาทีเนี่ยตายแน่นอนเพราะฉนั้นเรา mm hmm. ห่างจาก <Okay. S 1> ความตายเนี่ยไม่นานห่างแค่หกนาทีแต่ถ้าวินาทีนี้เราไม่หายใจเดี๋ยวอีกหนาทีเราจะตายงั้นเรต้องรีบหายใจก่อน <Okay. S 1> อแล้วมันไม่ใช่แค่หกนาทีด้วยอย่างเอาแค่ว่าบางคนประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันก็จะปุ๊บปั๊บไปเลย นนี้ <Okay. S 1> เราก็เจอกันอยู่เยอะแยะทั่วไปใช่ไหมบางทีลูกตายก่อนพ่อเงี้ยโอ้ยเสียใจพ่อแม่ก็เสียใจทีนี้ความแก่เนี่ยเป็นทุกข์บุตรชาบอกทุกข์ของความแก่เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ า, าทุกข์ที่เกิดจากคนที่จะต้องมาเลี้ยงดูนะ <Okay. S 1> คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าความแก่ความแก่แก่แล้วก็แหมคนแก่นี่ขี้บ่นจุกจิกจูก้จี้เอาใจยากเป็นคนใจน้อย เป็นวัยทองอะไรต่างๆทำให้ลูกหลานลําบากที่ต้องมาเลี้ยงดูดูแลอันนี้ <Okay. S 1> ความลําบากที่ลูกหลานจะต้องมาเลี้ยงดูดูแลเนี่ยมันไม่ใช่ทุกขของความแก่ไม่ใช่ความแก่เป็นทุกขแต่อันนี้เป็นทุกข์ของคนที่มาดูแลแ ต, แต่ความแก่เป็นทุกเนี่ยต้องมาดูที่ผู้แก่เองซึ่ง <แ pasar. S 1> ผู้แก่เนี่ยก็คือคนที่เราอายุมากขึ้นใช่ไหมความแก่เนี่ยเอาอะไรมาให้ซึ่งทุกขของความแก่เนี่ย ม, มันนําโทษมาสองอย่างอย่างแรกก็คือว่าความแก่เนี่ยมัน มันเพิ่มภาระให้แกเราหมายความว่าอย่างสมมุติคุณอายุ20นะมาเป็นอายุ25ยเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยคุณมาเข้ามหาวิทยาลัยจบมาจากมหาวิทยาลัยทํางานภาระเพิ่มเลยนะใช่ไหมจากที่เรามาเรียนหนังสือภาระของเราคือไปสอบอย่างเดียวมาปุ๊บนี่เราต้องมาทํารายงานให้หัวหน้าไปทํางานตอน8โมงเช้ากลับมาทําอะไรต่างๆ ม, มันมีภาระเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้อนพออายุมากขึ้นหน่อย 20-30 มีแต่งงานมีลูกก็แบกคู่ครองไว้อีกคนหนึ่งนะผ่านไปอีก5ปีนะมีลูกอีกสองคนแบกลูกไปอีกสองคนผ่านไปอีกมีลูกอีกมาเป็นสามสี่คนอย่างเงี้ยพอผ่านไปอีก10ปี20ปีนะก็มีหลานอีกนะมีหลานแล้วก็ต้องมีหลานสะพ้ามีลูกสะภ้ามีหลานสะภ้ยอย่างเงี้ยมันมานี่คือข้างข้างคนอย่างเดียวนะยังมีข้างของอีก ข้างคนนี่ยังมีนี่คือคนฝ่ายไหนยังมีคนฝ่ายนอกอย่างเช่นว่าลูกน้องผู้บังคับบัญชาผู้ใทนบังคับบัญชาเพื่อนฝูงใช่ไหมอย่างเราเรียนมาจากประถมอย่างเงี้ยขึ้นมามัธยมมีเพื่อนมากขึ้นมัธยมไปมหาวิทยาลัยโอ้มีเพื่อนเป็นพันนะ้ำมหาวิทยาลัยทำงานมีเพื่อนที่ทํางานที่โน้นที่นี่เต็มไปหมดมันก็จะมีแต่ภาระเพิ่มขึ้นภาระเพิ่มขึ้นใช่ไหมภาระที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี้เนี่ยแล้วก็ยังนี้คือข้างคนอย่างเดียวยังมีข้างของอีก ของในสมัยเด็กของสมัย k, เรียนหนังสืออยู่ของสมัยโตแล้วทางานจากที่นี่ของอย่างหนึง่งย้ายที่ทํางานบินของอีกอย่างหนึ่งบางคนย้ายบ้านเน่ยคุณเตือนใจโอ้โห ا, รถสิบรอบมาคนก็ไม่ไหวอาตมาเคยย้ายบ้านจากที่หนึ่งไปที่1นึ่โอของเราเยอะมากเราพบว่าโอ้ตายแล้วทำไมเรามีภาระเยอะอย่างนี้ก็เลยคือภาระเยอะเนี่ยมันไม่เป็นไรถ้าเรากําลังมากขึ้นใช่ไหมแต่นี่ภาระมากขึ้นแต่กําลังน้อยลงนี่คือปัญหาภาระที่มากขึ้น นะอย่างสมมติเรานึกถึงคนที่เขาแบกของไว้อคนคนหนึง่งมือเปล่าถือของไวนะ้อย่างหนึ่งสุดท้ายเขาก็เอามาให้อีกอย่างหนึง่งเป็นมือซ้ายก็ถือมือขวาก็ถือถือไม่พอเอามาให้เราถือมากขึ้นถือมากขึ้นถือจนเต็มมือแล้วไม่พอทํำยังไงเอาแบกขึ้นบ่าแบกขึ้นบ่าหนึ่งจนเต็มบาแ ล, แล้วก็แบกขึ้นอีกบ่าหนึ่งสุดท้ายไม่พอต้องอุ้มเลยอุ้มแล้วก็ยังมีของมาให้เราอีกเอางั้นทุนไว้บนหัวทุนไว้บนหัวจนหลังค่อมแล้วของก็ยังไม่หมดอย่างเงี้ยคือถ้าภาระมันมากขึ้นมากขึ้นม แต่กำลังเราลดลงมันเลยเป็นเรื่องยุ่งใช่ไหมถ้ามุดกับส่วนทางกันนะใช่ถ้าภาร ะ, พาระเพิ่มแต่ว่าร่างกายเราสุดโจมลงอเพิ่มกําลังเพิ่มนี่มันยังไปอย่างหนึ่งใช่มหมแต่นี้ภาระเพิ่มแต่กําลังมีแต่ลดมันก็เลยไปไม่ได้ ม, มันเลย<ช>จริงปี<ช> ม, มีปัญหาขึ้นอย่างคนที่อายุทําไมเขาให้กเกษียณอายุหกสิเพราะว่าความจํามันเริ่มเลอะเรือแล้วงานมากขึ้นแต่ว่าเอ๊ะทาไมสมองเรามันแย่ลงแล้วก็เลยไอ้เกษียณก็แล้วกัน <laughs> อย่างนี้นนะซึ่งสมัยยีพ่พบว่าคนเกษียณก็ยังก็ยังหนุ่มสาวอยู่นะเจ้าค่ะ <c oughs> ก็ก็ยังมีส่วนอยู่ใช่ที่ยัง <c oughs> ดีอยู่ก็มี <c oughs> แล้วอีกอย่างที่สองก็คือความแก่เนี่ย <c oughs> มันนําทําทางเอาไว้ให้ความตายนะคือคนแก่เนี่ยก็จะมีแต่โรคมารุมเรา้าใช่ไหมโรคอันนี้มาเดี๋ยวโรคที่หูโรคที่ปอดโรคที่หัวใจโรคอะไรต่างๆมาเต็มไปพ ร, รวน ซึ่งโรคที่มาเนี่ยมันก็ทําทางเอาไว้ให้ความตายเพราะเนี่ยจึงเป็นความทุกข์ของคนแก่ที่คนแก่จะต้องอรับเองนะตรงนี้เพราะฉะนั้นอพอพอคนที่แก่เนี่ยจะทราบเลยว่าโอ้ฉันนี่แก่มากขึ้นคือไม่ใช่ว่าเฉพาะแกะ่แบบแกง่งอมนะอถ<ช>ึงแม้แต่ว่าจากเด็กมาโตเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นมาเป็นผู้ใหญ่แค่นี้เขาก็จะรู้แล้วว่าภาระของเขามากขึ้นเขาจะทราบเลยอ เพรานเราเห็นได้เองซึ่งถ้าใครเห็นว่าความแก่เนี่ยเป็นทุกข์นะเ้วก็ทําสารณะของตัวเองเอาไว้สารณะหมายถึงที่พึ่งอ่ะนะที่เราจะใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ไม่ประมาทนะมีสติมีศีลอแล้วก็ตามรักษาจิตของตัวเองนะก็จะสามารถละความปล่อยวางความทุกข์นี้ได้นะหมดจากความทุกข์ได้ว่างั้นเถอะอืมเจถ้าเปิดทํา อย่างที่พระจันทร์ไพบูลอภิปุโนโดได้เมตตาชี้แนะมาหมายถึงคารวาทั้งหลายนะเจ้าคะคือระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเติบโตไปแค่ไหนอย่างไรอายุมากอายุน้อยนี่ก็ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าเราแก่ลงเรื่อยๆหมายถึงว่าพออายุเพิ่มขึ้นแต่ละปีนะเจ้าคะ<ช>ทุกนาทีนี่ก็เรียกว่าเราเสื่อมไปตลอดเวลานะเจ้าคะดัง<ช>นั้นก็จะต้องมีสติมีศีลแล้วก็จะต้อง มีเรื่องของอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของธรรมะใช่ไหมเจ้าคะอมีสติมีศีลแล้วก็รักษาจิตของตัวเองรักษาจิตของตัวเองอยู่เสมอใช่ค<ช>่ะ<ช>รักษาจิตนี้ก็คือทําจิตใจของเราให้ของแผ่ใช่ไหมเจ้าคะรักษา <ทำ S 1> จิ ต, ต่สิ่งที่ดีคือหมายความว่าไม่ไม่ให้จิตของเราไปอยู่ในแดนลบอือเจ้าค่าบางคนอาจจะให้แบบมีมีอย่างอื่นมาช่วยรักษาจิตของเรามาช่วยคุ้มครองเราให้เป็นให้มีแต่สิ่งดีๆอ่ะนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะรักษาจิตของเราได้เนี่ยคือจิตของเราเท่านั้นเองคือไม่มีใครมาช่วยรักษาจิตของเราได้ทูลเตือนใจคือเราจะไม่ใช่เราใช่เราจะไม่สามารถแบบเอาหมอผ่าตัดมาเปิดอกแล้วก็จับจิตวางไว้ตรงนี้มันไม่ได้หรือว่าจะจ้างคนอย่างบางคนอาจจะจ้างเลขามาช่วยคอยเตือนถ้าฉันโกรธอย่างเงี้ยนะฉันโกรธแล้วมาคอยเตือนไม่ให้เราโกรธหรือว่าท่านท่านคิดผิดแล้วนะคิดอย่างนี้คิดผิดอย่างเงี้ยมาคอยเตือนเรา เราให้จ้างเลขานุ ก, การเขาก็ทํางานแค่8ดชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราจ้างสัก3กะอย่างเงี้ยยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตาม เ, าเราเข้าไปในฝัน <Okay. S 2> คือเขาจะไม่ได้ตามเราเข้าไปในห้องน้ําตามเราในไปในฝัน <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นในฝันในห้องน้ําหรือว่าที่ไหนๆเนี่ยเราจะต้องรักษาจิตของเราเองตลอดนะซึ่งปรึกษาการแนะนําให้ใช้วิธีการที่มีสตินั่นก็คื อ, อ, อมีอนาปนสติใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นสติเป็นเครื่องระลึกลึกถึง ให้จิตของเราไม่ไหลไปตามสิ่งที่ไม่ดีไม่ไปอยู่ในแดนลบอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีศีลก็คือพุทธศาสนกชนเราอย่างคลวาดก็คือศีลห้าใช่ไหมคะศีลห้าพื้นฐานเบื้องต้นเลยแต่ถ้าใครมีศีลมีสติรักษาจิตของตัวเองนะชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทจะสามารถป้นจากความทุกข์ได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ มีชีวิตยอยู่อย่างสงบนะเจ้าคะและเมื่อต้องถึงวาระที่จะต้องจากโลกนี้ไปาตามบาระตามกรรมของตัวเองนั้นก็ไปในทางที่ดีไปในทางที่สงบใช่ไหมเจ้าคะใช่เราก็จะ<ช>เป็นผู้ที่สบายใจได้เขาเรียกว่านอนตายตาหลับถึงวันนั้นหรือว่าถ้ายังไม่ตายเนี่ยคือเราก็ยังอยู่สบายนะวินาทีนี้เจ้าค่ะใช่ใชต้องกลับ ขอบพระคุณพระอาจารย์พิบูลอภิพุโหนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลเจ้าค่ะได้ย้ำถึงพระคถาที่องค์พระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการปรงอายุสังขารอีกสักครั้งเถิดเจ้าค่ะเพื่อว่าจะฝากไว้เป็นแง่คิดสำหรับท่านผู้ฟังเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะในเรื่องขาถานี้ก็ผู้ช้าก็เตือนเอาไว้ว่ า, าวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราริปรีแล้วเราจะละพวกเธอไปสาระของตัวเอง เราได้ทําไว้แล้วพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาจิตของตนเถิดในธรรมมาวินัยนี้เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารทําที่สุดแห่งทุกได้สาธุเจ้าค่ะ น, นั้นก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบ เป็นการส่งท้ายรายการธรรมอาราบรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็ต้องขอนำทุผู้ฟังนะคะกล่าบนามศสการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโ น, โนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรศสอราธิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวั ด, ดป่าดอนไหโกตมบุญดอนไหโกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอาจิได้เมตตามาสาธกช้าหรือสนทนาธรมรมะดีๆในเช้าวันนี้คะ่ะ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่11กันยายนค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ตีห้านะคะสําหรับในเช้าวันนี้เรามากราบน้ำพิธีการขอบพระคุณและกราบลาพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนโพร้อมกันนะคะท่านผู้ฟังคะกราบน้พัพการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะชาเดลพานสาธุเจ้าค่ะ